ในห้วงปีมหาวิประโยคพุทธศักราช2516ที่ผ่านมาคนไทยเรามีโอกาสรับข่าวดีที่นำมาซึ่งความอัศจรรย์ไปพร้อมๆกันทั่วประเทศอีกข่าวหนึ่งนั่นคือการติดตามอ่านข่าวมงคลฤทธิ์ของพระผู้บรรลุธรรมชั้นสูงหลวงปู่แหวนสุจินโนพระคณาจารย์บนดอยแม่ปางจังหวัดเชียงใหม่ ดยนักบินกองทัพอากาศบินผ่านดอยแม่ปังในวันหนึ่งนะคะแล้วพบว่ามีพระภิกษุห่มจีวรสีกลักนั่งสมาธิอยู่อย่างสงบบนก้อนเมฆอยู่ในเส้นทางการบินสาธุชนหลั่งไหลขึ้นไปนมัสการหลวงปู่มากมายนับตั้งแต่นั้นและอิทธิฤิปาติหารในขั้นต่อๆมายิ่งสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้คนเดินทางขึ้นสู่ดอยแม่ปังอย่างไม่ขาดสายค่ะ ในอดีตนั้นหลวงปู่คือพระป่าที่ทุดงควัตตามป่าขาวยาวนานหลายสิบปีเพื่อหลบหนีความวุ่นวายออกหาวิเวกสแสวงสัจธรรมเป็นพระอรัญญาวาสีผู้ถือปฏิบัติวิปัสนาธุระในแนวทางการปฏิบัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตองค์บูรพาจารย์แห่งพระป่าจนนับได้ว่าท่านคือสิทธิอาวุโสคนหนึ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเอกในทางการปฏิบัติค่ะ หลวงปู่แหวนสุจินโน ท, นท่านท่องเที่ยวในโลกธรรมทุดงไปทั่วภาคอีสานและภาคเหนือย่ำสันเขาผ่านเชียงตุงแสนหวีเข้าไปในแผ่นดินลาวบ้าง12ปันนาบ้างบางครั้งท่านก็ข้ามแม่น้ำเมยเข้ามอตมะและโดยสารเรือโดยสารรถไฟไปสู่พาราณสี หลวงปู่แหวนสุจินโนมาอยู่ที่วัดดอยแม่ปังในปีพุทธศักราช2505และท่านเริ่มเป็นที่รู้จักประมาณปีพุทธศักราช2514กล่าวกันค่ะว่าหลวงปู่แหวนได้เป็นที่รู้จักภายหลังจากที่ท่านเจ้าคุณนรรัษฎรราชมานิตวัดเทพศิรินทราวาตกรุงเทพมหานครสิ้นชีพพิตักสายเมื่อ10มกราคมพุทธศักราช2514 ในช่วงที่ประชาชนกำลังพูดถึงเรื่องของท่านเจ้าคุณนรรัตราชมานิตนะคะก็มีข่าวแพร่ออกมาว่าท่านเจ้าคุณนรรัตกล่าวว่ามีพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งอยู่ทางภาคเหนือซึ่งพระอริยะองค์ที่ท่านเจ้าคุณนรรัตกล่าวถึงก็คือหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งดอยแม่ปังนั่นเองค่ะ หลวงปู่แวนท่านท่องเที่ยวทุดงอยู่ตามป่าเขาลำเนาพรายมานานกว่า50ปีประชาชนทั่วไปจึงจะไม่รู้จักท่านเป็นเรื่องธรรมดาเพิ่งจะมีข่าวคราวรู้จักหลวงปู่ก็ประมาณปลายปีพุทธศักราช2516นะคะเมื่อหนังสือพิมพ์นำประวัติและเรื่องราวอภิิหารต่างๆของหลวงปู่มาเผยแพร่ พระคณาจารย์องค์นี้ถูกกับอากาศทางภาคเหนือซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นสัพ ป, ปายะสำหรับท่านในการบำเพ็ญภาวนาช่วงที่อยู่ทางภาคเหนือนั้นมีปาฏิหารและพลังเร้นเล่าขานอยู่ไม่น้อยค่ะ ครั้งหนึ่งหลวงปู่แหวนออกทุดงองเดียวเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายไปลําปางเมื่อถึงจังหวัดพะเยาสมัยนั้นยังเป็นอําเภออยู่นะคะซึ่งขึ้นตรงกับจังหวัดเชียงรายพักอยู่ที่วัดพระเจ้าตนหลวง 3-4 วันเมื่อพักผ่อนพอให้มีกําลังครั้นจะออกจากพะเยาจะไปลําปางก็มีรถลากไม้ไปเส้นทางนั้นพอดีคนงานก็เลยได้นิมนต์หลวงปู่ขึ้นรถไปด้วยขณะนั้นเป็นช่วงเดือนมิถุนายนเข้าหน้าฝนก็มีฝนตกชุก รถออกไปถึงแถวอำเภอ ง, งาก็เกิดรถติดหล่มขึ้นไม่ได้หลวงปู่ต้องเดินเท้ามาจนถึงศาลเจ้าพ่อประตูผาเมื่อใกล้ค่้าพอดีนะคะศาลในสมัยนั้นสร้างเป็นตัวเรือนไม้ขนาดใหญ่พอที่คนจะขึ้นไปนอนได้หลวงปู่ก็ใช้ไม้ผ้าอาบน้ำฝนปัดฝุ่นแล้วก็จัดบริหารเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกไปส่งน้าที่ลาธารใกล้ๆกันค่ะ เวลากลางคืนนะคะพวกเสือสางมาร้องแถวใกล้ๆที่ท่านพักเสียงโห่คาขานรับกันฟังเสียงแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเล็กๆสามารถกินวัวได้อย่างสบายประหลาดที่พวกมันไม่อาจเข้ามาใกล้ท่านได้ทั้งที่มีรอยเท้าเต็มไปหมดเสียงร้องรับกันเป็นทอดๆประเดี๋ยวตัวนั้นร้องประเดี๋ยวตัวนี้ร้องเหมือนคนกูหากันอยู่ไม่ไกลาจากที่ท่านพัก อากาศแถวนั้นก็หนาวเย็นมากจนยะเยืยดจิตท่านต้องเดินจงกรมแล้วก็นั่งภาวนาทั้งคืนค่ะพอรุ่งอรุณหลวงปู่เก็บเครื่องบริหารแล้วก็ออกเดินทางต่อแล้วก็บันทึกทุดงในช่วงนี้คือตกบ่ายรู้สึกอ่อนเพลียมากหนักศีรษะอาการค่ายเริ่มปรากฏชัดขารู้สึกว่าจะก้าวต่อไม่ไหวอ่อนไปหมดจึงแวะเข้าไปใต้ร่มไม้ข้างทางวางกรดวางบาดแล้วล้มตัวนอน หลับโดยไม่รู้สึกตัวเพราะพิษไข้ที่กำลังกำเริบช่วงเวลาที่หลับไปนั้นนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกครั้งก็ต่อเมื่อมีเมฆขมินเต็มฟ้าลมก็พัดกระโชกแรงขึ้นเสียงคำรามของฟ้าก็ร้องถี่ขึ้นดูทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่บีบรัดเข้ามาทุกทีอาการไข้ก็ยังไม่สรางฝนก็เริ่มลงเม็ดห่างๆจะ ก, ก, กลางกรดก็สู้ลมไม่ไหวไม่รู้ว่าจะหลบฝนอยู่ที่ไหนได้ดูเหมือนจะหมดหนทางแก้ไขเอาทีเดียว หลวงปู่ก็แผ่เมตตาต่อเทพรักษ์เจ้าที่เจ้าทางอธิษฐานบอกกล่าวแก่เขาว่าข้าแต่เทพารักษ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางตลอดจนนาครุษผู้มีอำนาจทั้งหลายก็ดีวันนี้ข้าพระเจ้าเดินทางมาจะไปลำปางมาป่วยอยู่กลางป่าหมดกำลังที่จะไปข้ั้งหน้า ขอให้ท่านทั้งหลายอาศัยความเอ็นดูขอได้โปรดบรนดาลด้วยอำนาจฤทธิ์ของตนให้ฝนซึ่งกำลังตกมานี้เว้นตรงที่ข้าพเจ้าอยู่ขอให้เปลี่ยนทิศทางไปทางอื่นด้วยเถิด คุณผู้ฟังคะหลังจากที่หลวงพ่อได้ภาวนาจิตนะคะก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ค่ะขณะที่ฝนกำลังจะลงเม็ดถี่โดยลำดับนั้นได้เกิดมีลมพัดมาอย่างแรงต้นไม้ก็ลู่เอ็นไปตามทิศทางลมด้วยความแรงของลมพัดมานั้นสามารถทำให้ฝนเปลี่ยนทิศทางโดยฉับพลันฝนตกห่างออกไปในรัศมีหนึ่งเส้น วันนั้นฝนตกอยู่นานพอสมควรค่ะพอฝนหายไปแล้วอาการไข้ก็ยังไม่สางหลวงปู่จึงล้มตัวนอนต่อไปโดยไม่ได้กลางกดสางไข้แล้วรู้สึกว่าตัวเบาคอแห้งกระหายน้ำจึงลุกขึ้นเอากาไปตักน้ำในลำธารใกลๆ้ๆโดยใช้กระบอกกรองน้ำใส่กาเต็มแล้วก็นั่งภาวนาทำสมาธิจนรุ่งเช้าค่ะ ปลายปีพุทธศักราช2430นะคะหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านได้ติดตามพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะคะไปจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำเชียงดาวแล้วก็พบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดในป่าบนทือเขาเชียงดาวยามนั้นร่มรื่นแม้แต่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตยังเคยกล่าวไว้ว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมในประเทศไทยเชียงดาวเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะถ้ำหลวงนั้นภายในถ้ำยังมีซอยอีกหลายแห่งเป็นส ป, ปายะของนักปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรโดยแท้วันหนึ่งเวลาประมาณ5โมงเย็นขณะที่ท่านเดินจงกรมอยู่นั้นก็มีเสียงเหมือนกิ่งไม้ใหญ่หักลงมากระแทกพื้นดังสนัน่นหลวงปู่แหวนหยุดเดินหันไปมองทางต้นกำเนิดเสียง สิ่งหนึ่งที่ท่านเห็นกลับไม่ใช่กิ่งไม้หักโค่นค่ะแต่ว่าเป็นร่างของอมนุษย์ตนหนึ่งร่างกายสูงใหญ่ผมยาวรุงรงังกระเซาะกระเซิงหน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัวกำลังเอาเท้าเกี่ยวกิ่งไม้ห้อยหัวลงมาเกือบถึงพื้น ในตาที่ลุกวาวจ้องมองขม็งไปยังหลวงปู่แต่ว่าท่านไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยซ้ำกลับคิดเวทนาวิญญาณตนนี้ที่ต้องมาตกอยู่ในสภาพที่น่าสังเวชใจและคิดว่าเขาอยากหลอกหลอนก็ให้เขาทำไปเพราะใจเราไม่เกี่ยวข้องด้วยอมนุษย์ตนนั้นเห็นว่าหลวงปู่ไม่ได้หวาดกลัวจึงหายไปอีกสองสาวันต่อมาก็ปรากฏร่างให้เห็นอีก หลวงปู่ก็ไม่ได้สนใจเช่นเคยจนท่านเดินจงกรมกําหนดจิตพิจารณาธรรมด้วยสมาธิอันแน่วแน่ร่างร้ายนั้นก็หายไปค่ะจนวันนึงนะคะจึงกําหนดจิตถามเจ้ามาแสดงตัวเช่นนี้ต้องการอะไรอามนุษย์ตนนั้นก็ได้กล่าวออกมากับหลวงปู่แวนสุจินโนบอกว่าต้องการมาขอส่วนบุญหลวงปู่ก็เลยถามต่อไปบอกว่าเมื่อก่อนเจ้าทํากรรมอะไรไว้จึงต้องมาอยู่ในสภาพเช่นนี้ เรื่องราวต่างๆได้ถูกเปิดเผยออกมาค่ะคุณผู้ฟังว่าอมนุษย์ตนนี้เนี่ยสมัยที่เป็นมนุษย์ตนนั้นได้เป็นมนุษย์ที่ประพฤติ ช, ชั่วลักขโมยบ้างปล้นเขาบ้างก่อนออกไปปล้นมักจะนำทูปแล้วก็ดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้พระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งอยู่ในถ้แล้วก็ขอความคุ้มครองแล้วก็อํานวยความสาเร็จให้ปลอดภัยทุกครั้ง แต่พระไม่ได้เข้าข้างคนชั่วค่ะเมื่อออกปล้นครั้งล่าสุดก็ถูกเจ้าซับต่อสู้ป้องกันตัวแล้วก็ใช้ดาบฟันจนได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ว่าหนีไม่ได้ก็เพราะว่าบาดเจ็บแล้วก็โมโหนะคะที่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นไม่ยอมคุ้มครองจึงเอาขวานไปทุบเสียญพระนั้นจนคอหักทั้งยังคิดแค้นใจที่ถูกเจ้าทรัพย์ทาให้เจ็บเมื่อบาดแผลที่ถูกฟันนั้นเป็นแผลชะกันพิษของบาดแผลจึงกำเริบ ม, มากขึ้นเรื่อยๆจนเสียชีวิตลงค่ะเมื่อตายไปแล้วก็ไปจุติเป็นอมนุษย์อยู่ในสภาพเช่นนี้ ขอความการุณาจากพระคุณเจ้าโปรดเอ็นดูแผ่เมตตาให้กระผมเพื่อบรรเทาทุกทรมานที่กำลังได้รับด้วยเถิดหลวงปู่แหวนนะคะเมื่อท่านได้ฟังท่านเองก็สำรวมจิตและก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาได้รับไหมเพราะว่ากรรมที่สร้างมานั้นหนักหนาสาหัสเหลือเกินแต่ว่าหลังจากวันนั้นแล้วอมนุษย์ตนนั้นก็ไม่เคยปรากฏกายให้หลวงปู่แหวนสุจินโนได้เห็นอีกเลยค่ะ มีเหตุการณ์หน้าขนพองสยองกล้าวอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเช้าวันหนึ่งค่ะหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อ น, นะคะได้อาศัยบินธบาติที่หมู่บ้านชาวเขามีอยู่ประมาณ 4-5 หลังคาเรือนชาวบ้านพากันใส่บาตรด้วยความดีใจเพราะว่านานๆจะมีพระธุดงมาโปรดสักทีแต่ว่าครั้นบอกว่าจะมุ่งไปทางเทือเขาที่มองเห็นแล้วจะลองไปทางสุวรรณเขตนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกันกับจังหวัดมุกดาหารค่ะชาวบ้านแสดงอาการตกใจพร้อมทางทัศ ทานนะคะว่าอย่าไปทางโน้นเลยเพราะกำลังมียักษ์ปีศาจดุร้ายสิงอยู่คอยทำร้ายคนและสัสตว์ที่ผ่านไปทางนั้นลุงปู่กล่าวขอบใจในความหวังดีและบอกว่าท่านทั้งสองได้มอบกายถวายชีวิตให้พระศาสนาแล้วขออย่าได้ห่วงตัวท่านเลยแล้วท่านก็ออกเดินทางไปในทิศดังกล่าวค่ะ หลวงปู่แหวนสุจินโนและหลวงปู่ตื้อนะคะก็ได้ออกเดินทางโดยข้ามลำน้ำสองแห่งแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าป่าแถวนั้นเงียบกริบไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงสัตว์ต่างๆเลยแม้แต่น้อยเสียงนกก็ไม่มีผิดประหลาดมาก จนเวลาใกล้ค่ําหลวงปู่ทั้งสองก็มาถึงยอดเขาสูงที่มีลักษณะประหลาดนั่นคือเป็นยอดเขาสีดําคล้ายถูกไฟเผารูปลักษณะเป็นตะปุ่มตะป่ําคล้ายตัวคนบ้างหัวตหนกช้างบ้างแปลกไปจากเขาลูกอื่นค่ะหลวงปู่ทั้งสองก็เลือกปักกรดลดค้างคืนข้างลำธารที่มีน้ำใสไหลผ่านอยู่ที่เชิงเขาลูกนั้นโดยปักกลดห่างกันประมาณ10เมตรเมื่อส่งน้ําพอสดชื่นแล้วต่างองค์ก็นั่งสงบภายในกรดของตนทั้ง สององค์ตระหนักในความประหลาดของสถานที่นั้นไม่ได้พูดอะไรกันเพียงแต่นั่งสงบอยู่ภายในกรดจนเวลาประมาณ5้าทุ่มนะคะหลวงปู่แหวนก็ออกจากกรดเตรียมเดินจงกรมหลวงปู่ตื้อออกมาตามและพูดว่าผมรู้สึกว่าที่นี่วิเวกผิดสังเกตนะหลวงปู่แหวนก็เลยตอบไปบอกว่าผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน พูดแค่นี้แหละนะคะต่างองค์ต่างก็เดินจงกรมในทางของตนต่อจากนั้นไม่นานก็มีเสียงกรีดแหลมเยือกเย็นดังลงมาจากยอดเขารูปประหลาดนั้นนะคะเสียงนั้นแหลมลึกบีบเค้นประสาทจนรู้สึกเสียวลงไปถึงรากฟันเลยทีเดียวค่ะหลวงปู่ตื้อถามว่าได้ยินไหมหลวงปู่แวนก็เลยตอบเสียงเรียบๆผมกำลังฟังอยู่ เสียงกรีดร้องนั้นใกล้เข้ามาทุกทีฟังแล้วหน้าขนพองสยองกล้าวทั้งสององค์เดินจงกรมอยู่เงียบๆตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในป่านั้นก็เงียบสงัดจริงๆค่ะเสียงนกเสียงแมลงไม่มีครั้นแล้วก็เกิดพายุปั่นป่วนขึ้นมาอย่างกระทันหันชนิดที่ไม่มีเขามาก่อนต้นไม้โยกไหวรุนแรงราวกับจะถอนรากออกมาอากาศก็หนาวเย็นวิปริตขึ้นมาทันที พลันปรากฏร่างประหลาดขึ้นมาร่างหนึ่งตัวดำมาเมื่อมสูงราวเจ็ดศอกมีขนยาวรุงรังคล้ายลิงยักษ์แต่ว่าหน้าคล้ายวัวควายตาปนมือสองข้างยาวลากพื้นดินมันก้าวเข้ามาอยู่ห่างจากหลวงปู่ทั้งสองประมาณ10เมตรเห็นจะได้สัตว์ประหลาดเหล่านั้นส่งเสียงร้องหหยหวนขึ้นค่ะ พลันพายุนั้นก็เงียบสงบลงแสดงว่ามันมีอำนาจเหนือธรรมชาติสัตว์นั้นส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงร้ายกาจเหมือนกลิ่นศพที่กำลังขึ้นอืดมันกระทบเท้าสนั่นจนแผ่นดินสะเทือน หลวงปู่แหวนเล่าภายหลังนะคะว่าท่านไม่ได้รู้สึกกลัวแต่ว่าขนลุกสู้ซาบไปหมดเพราะไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดอย่างนั้นมาก่อนยังไม่รู้ว่าเป็นปีศาจหรือสัตว์อะไรกันแน่ท่านได้กําหนดสติไม่ให้ใจคอวอกแวกทอดสายตาไปยังสัตว์ประหลาดนั้นและกําหนดจิตแผ่เมตตาไปยังร่างนั้น สัตว์ร่างยักษ์นั้นหยุดร้องหยุดส่งกลิ่นเหมน็นแสดงว่ารับกระแสเมตตาได้มันค่อยๆสุดร่างนั่งยองๆเอามือยันพื้นไว้ทำท่าแสดงความนอบน้อมต่อท่านหลวงปู่ตื้อพูดพอได้ยินนะคะว่าท่านแหวนทำดีมากพร้อมทั้งเดินมาสมทบแล้วก็พูดค่ะว่าเขาแบกหามบาปหาบทุกอันมหันเข้ามาหาเราเพื่อให้เราช่วยปลดทุกข์ให้เขานะเขาสร้างกรรมไวมาก เมื่อตายจากมนุษย์แล้วจะต้องมาเป็นปีศาจอสุรกายต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่หลวงปูแหวนได้กำหนดจิตถามดูก็ได้ความว่าสมัยเป็นมนุษย์เขามีการกระทาที่มากล้นด้วยตัณหาและความโลภคือมีความละเมิดนะคะในศีลข้อ2และก็ข้อ3อยู่เสมอจึงต้องมาเป็นปีศาจอสุรกายรับทุกข์อยู่ที่นี่มากกว่าร้อยปี ปีศาจอสุรกายนั้นดูท่าทางอ่อนลงมากค่ะมันร้องไห้คร่ำครวญ น, น่าสงสารขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าทั้งสองให้เขาได้พ้นทุกทรมานด้วยเถิดหลวงปู่แหวนได้พิจารณาเห็นนะคะว่าเขาสร้างกรรมซับซ้อนเหลือเกินใครจะช่วยเขาได้ พลันหลวงปู่ตือก็ตอบในสมาธินะคะว่ากรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนลึกซึ้งอยู่ก็จริงบางทีพระผู้ทรงศีลบริสุทธิ์และมีบารมีเช่นท่านแหวนก็อาจจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้ลองอ่านพระคาถาหรือเทศนาธรรมให้เขาฟังดูสิหลวงปู่แหวนได้กำหนดจิตว่าพระคาถาแล้วเทศนาให้เขาสำนึกบาปบุญคุณโทษเขาค่อยๆ ค, คลายความกังวลลงค่ะพร้อมกับก้มลงกราบด้วยความซาบซึง้งพระคุณเจ้า ข้าพระเจ้ากําหนดจิตพิจารณาตามกระแสธรรมของท่านแล้วเกิดแสงสว่างกับข้าพระเจ้าอย่างมหัศจรรย์และข้าพระเจ้าได้เห็นสภาวะธรรมคือชาติชรามรณนะอันเป็นทุกข์เป็นธรรมดาของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วพระคุณเจ้าสีหน้าเขาดูสดชื่นพร้อมกับก้มลงกราบหลวงปู่ทั้งสององค์แล้วร่างนั้นก็หายไปค่ะมีอีกเหตุการณ์สะเทือนขวัญอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อค่ะ จาิกมาถึงเทือกเขาใหญ่โตทิศใต้แขวงเมืองคำม่วนเป็นป่าดงเย็นอึมครึมนะคะเชื่อมโยงลงไปถึงสุวรรณเขตในตอนเย็นพบสถานที่เหมาะจึงปักกลดลดภาวนาที่หุบเขาใต้เงื้อมผาแห่งหนึ่งทั้งสององค์ปักกลดห่างกันพอสมควรค่ะคืนนั้นต่างองค์ต่างบำเพ็ญเพียรอยู่ในกลดเป็นปกติ ประมาณสามทุ่มในป่าดงเช่นนั้นดูเงียบสงัดวังเวงก็ได้ยินเสียงประหลาดคล้ายกับนกกลางคืนร้องก้อยก้อยก้อยนะคะ่ะเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาค่ะแล้วก็ดังรับกันล้อมรอบไปทั่วทิศเสียงบีบเข้ามาก้อยก้อยแล้วก็มีแสงคบไฟนับสิบดวงมาจากเสียงนั้นทำให้มองเห็นตัวผู้ถือได้ถนัดนะคะ ร่างนั้นเป็นมนุษย์ร่างประหลาดค่ะขนาดเด็กอายุ 13-14 ปีผอมพุงโรผิวคล้ำผมเผ้ารุงรังจมูกแบนบ่งบอกว่าเป็นคนป่า ทุกคนมีอาวุธประจำตัวคือหน้าทึ้นคล้ายธนูแต่เล็กกว่าใช้คล้องตัวในในบ่าของพวกเขาก็จะสะพายกระบอกไม่ไผ่ใส่ลูกดอกอาบยาพิษนะคะคนร่างเล็กนั้นส่งเสียงรับกันเป็นทอดๆโ อ, อบล้อมกลดทุดงเข้ามาพอได้ระยะก็พากันยกหน้าทึ้นเล่งเข้ามายังกลดทั้งสองหลวงปู่ตื้อร้องบอกพอได้ยินว่าท่านแหวนระวัง แล้วท่านทั้งสองก็กำหนดจิตหลับตาเข้าฌานทันทีซึ่งเป็นไปนโดยอัตโนมัติปรากฏว่าลูกดอกอาบยาพิษที่ระดมยิงมานั้นไม่อาจผ่านรังสีแสงเรืองรองรอบกลดตกร่วงพลูห่างจากกลดทั้งสองเป็นวาเป็นที่อัศจรรย์ยิ่ง พวกชาวป่าต่างแปลกใจร้องกอยกอยดังกระหึ่มค่ะแล้วก็ระดมยิงลูกดอกอีก 2- อสารอบปรากฏผลเช่นเดิมคือลูกดอกตกลงดินก่อนที่จะไปถึงกรดทําเอาพวกเขาตกใจกลัวแล้วก็ร้องกอยกอยแล้วก็วิ่งหนีหายไปในความมืดตอนเช้าพวกคนป่ากลุ่มนั้นนะคะก็มาด้อมอมมองด้วยความเกรงกลัว หลวงปู่แสดงท่าให้พวกเขาเข้ามาต่างก็ค่อยๆเข้ามาด้วยเนื้อตัวสันเทามาหมอบนิ่งเอาหัวซุกดินคล้ายกับสำนึกผิดและขอขมาพวกเขาเป็นพวกขาระแดค่ะเป็นคนป่ากลุ่มหนึ่งชอบล่ามนุษย์เผ่าอื่นที่ล่วงล้ำเข้ามาแล้วก็เอาเนื้อมาแบ่งกันกินนะคะพวกขาระแดได้นิมนต์หลวงปู่ทั้งสองไปยังที่พักของพวกเขา และจัดนําอาหารมาถวายก็มีเนื้อย่างสองก้อนได้ความว่าเป็นเนื้อของคนแก่ซึ่งยอมสละชีวิตของตนเองให้เป็นอาหารของลูกหลานหลวงปู่ยูโปรดพวกชาวป่าหลายวันค่ะสอนพวกเขาให้เลิกการฆ่ามนุษย์ด้วยกันเมื่อเห็นว่าเชื่ออย่างจริงใจแล้วท่านทั้งสองก็ออกเดินทางต่อด้วยความอาลัยอาวรณ์ของอาชาวเขาเผ่านี้เป็นอย่างมากนะคะ ต่อไปนี้เป็นคำเล่าของหลวงพ่อฤสีลิงดำค่ะเล่าให้ลูกศิษย์ของท่านฟังแล้วก็นำมาถ่ายทอดลงในหนังสือโลกทิพย์ปีที่หนึ่งฉบับที่หนึ่งปีพุทธศักราช2525โดยสิทธาเชตวันหรือหลวงตาเพชรนะคะ หลวงปู่แหวนไม่สนใจเรื่องการสร้างพระเครื่องแปลกๆพิศดารตลอดจนเครื่องรางของขลังเลยมีแต่ลูกศิษย์ของท่านนะคะที่จัดหาจัดสร้างแล้วก็ขึ้นดอยไปให้ท่านปลุกเสกบ้างซึ่งท่านก็มีเมตตาไม่ขัดข้องหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้เล่าถึงการปลุกเสกพระที่ลูกศิษย์ลูกหาต่างถอดสร้อยและพระรวมกันนะคะเพื่อที่จะให้หลวงปู่แหวนปลูกเศกให้ พอใครขนเอาเครื่องรางไปวางเสร็จหลวงปู่แหวนก็ตั้งท่าสงบใจสงเคราะห์อาตมาก็จับดูจิตหลวงปู่แหวนดูอารมณ์จิตของท่านว่าจะทำอย่างไรครั้งแล้วเห็นอารมณ์จิตของหลวงปู่แหวนผ่องใสเป็นดาวประกายพลึกเต็มดวงลอยอยู่ในอกของท่านเวลานั้นกำลังจิตของหลวงปู่แหวนก็คิดว่าขออาราธนาบา ร, รมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ให้มาโปรดช่วยทำของเหล่านี้ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ เป็นมิ่งขวัญมงคลของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เข้าถึงพระธรรมแล้วก็ได้เห็นกระแสจิตของหลวงปู่แหวนเป็นประกายพลึกพุ่งออกมาจากอกสว่างเจิดจ้าใหญ่เหลือเกินคุมเครื่องรางของขลังทั้งหมดแสงสว่างประกายพลึกของจิตพระอรหันตเจ้าแทรกลงไปในเครื่องรางของขลังอยู่ผิวด้านหน้ายันข้างล่างสุดเรียกว่าคลุมหมดอาบลงไปหมดเลย โลงสว่างสุกเปล่งไปหมดคล้ายตกอยู่ในเบ้าหลอมเป็นกระแสสว่างของจิตที่เยือกเย็นซึ่งเต็มไปด้วยอำนาจพุทธบารมีเห็นแล้วรู้สึกเยือกเย็นสบายอย่างประหลาดบอกไม่ถูกส่วนเวลาท่านทาพิธีแผ่เมตตาจึงของนำบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรยัยที่หลวงปู่แวนท่านใช้อยู่เวลาท่านทาพิธีแผ่เมตตาถึงวัตถุสิ่งของท่านใช้บทต่อไปนี้ ติรัตนะน ม, มาการาคาถาโย ο, สรรณสินโนวรัติมูลเปตัดสานุภาเวนะหันติราโยบางทีหลวงปู่ก็ใช้บทว่าพุทโธโยสัพพะปานีนางสาระัางเขมมุตตะมังสังคโคโยสัพพะปานินางสาระัางเขมมุตตะมังอิติปิโสภะควาเปพุทโภภะควาติสวาขาโตภะควาตาธัมโมเปปัญยคเขตังโล ก, กุสาติ เวลาหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านเสกน้ำมนต์ท่านก็จะเสกดังๆว่าสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพะเตโรคาสัพเพเตพยาเปวินัสสันติสทาโสถีพาวันตุเตเอา้าหายโรคหายภัยอายุมั่นขวัญยืน ประมาณปีพุทธศักราช2464หลวงปู่แหวนสุจินโนท่านได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อพำนักและศึกษาธรรมกับพระอุบาลีคุณูปมาจาร์หรือหลวงปู่จันสิริจันโทแห่งวัดบ ร, รมนิวาดกรุงเทพมหานครซึ่งหลวงปู่มั่นยกย่องอยู่เสมอว่าเชี่ยวชาญทั้งการเทศและการปฏิบัติธรรม หลังจากที่ท่านได้รับฟังธรรมและเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียประเทศพาม่าและเชียงตุงจากท่านเจ้าคุณพระอุบาลีแล้วก็ได้จาริกไปพาม่าอินเดียโดยผ่านทางแม่ห้องสอนจังหวัดตากข้ามแม่น้ำเมยขึ้นฝั่งพามา่าต่อไปยังขลุกคลิกมะละแมง แล้วโดยสารเรือไปเมืองกันกัตตาประเทศอินเดียแล้วก็ต่อรถไฟไปเมืองพาราณสีเที่ยวนมันสาการปูชนียสถานต่างๆแล้วก็กลับโดยเส้นทางเดิมถึงฝั่งไทยที่อำเภอแม่สอดเดินเที่ยวที่อำเภอสามเงานะคะ ต่อมาเดือนตุลาคมพุทธศักราช2465ค่ะท่านได้จาริกธุดงไปเชียงตุงแล้วก็เชียงรุ้งในเขตพมา่าโดยออกเดินทางไปด่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายผ่านหมู่บ้านชาวเขาพักตามป่าเขาจาริกผ่านเชียงตุงแล้วก็ต่อไปทางเหนืออันเป็นถิ่นชาวเขาเช่นจีนห่อซึ่งอยู่ตามเมืองแสนทวีฝีฝ่าหนองแส บางเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงพอฝนตกชุกจนเข้าพันษาก็กลับเข้าเขตประเทศไทยค่ะ ในระหว่างที่จาริกสแสวงหาวิเวกอยู่ทางภาคเหนือนั้นหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านได้พบกับหลวงปู่ขาวอนันลโยและได้แยกย้ายกันจําพรรษาตามป่าเขาท่านเคยได้แยกเดินทางบุงบวกข้าวจนถึงป่าเมี่ยงขุนปันนับตั้งแต่ตอนขึ้นไปภาคเหนือแล้วนะคะท่านก็ไม่เคยไปจำพรรษาที่ภาคอื่นอีกเลยท่านเคยอยู่บนดอยสูงกับชาวเขาเกือบทุกเผ่าอยู่ในป่าเขาภาคเหนือตอนบนเช่นจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องสอนอุด รดิดสุขโขทัยพิษณุโลกจึงนับได้ค่ะว่าวัดดอยแม่ปังเป็นสถานที่ซึ่งหลวงปู่อยู่จำพรรษามาตั้งแต่ปี2505จวบจนมรณภาพค่ะวันที่27กันยายนปีพุทธศักราช2528นะคะ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันนั้นลงข่าวและก็ภาพยืนยันเกี่ยวกับปฏิหารของหลวงปู่แหวนสุจินโนโดยมีรูปลงในหน้าหนึ่งเป็นรูปของคณะแพทย์พยาบาลกำลังนั่งฟังสวดพระอภิธรรมบนศาลาซึ่งเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่แหวนในวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่และมีเงาสีขาวปรากฏในรูปเดียวกันนั้นมีลักษณะคล้ายหลวงปู่แหวนยืนอยู่ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีรายละเอียดว่า ชาวเชียงใหม่แตกตื่นรูปถ่ายนี้มากและเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามความเชื่อเรื่องนี้กับนายแพทย์มุนีแก้วปลังผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหพราศก็ได้รับการยืนยันว่าขณะถ่ายภาพตนเองก็นั่งทำสมาธิและติดอยู่ภาพด้วยดูแล้วก็เห็นว่าเป็นหลวงปู่แหวนชัดเจนไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมอย่างอื่น คุณดูจะเห็นลักษณะหลังคอมจีวอนคลุมศีสะกรอบแว่นก็เห็นพวกเราเชื่อว่าหลวงปู่ต้องการแสดงภาพปรากฏให้เห็นซึ่งพวกเราปลื้มใจมากเหตุการณ์ทำนองนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อปี2514อ่า18ค่ะขออภยัยเมื่อนางดวงศรีภูมินยอมอุปถามของหลวงปู่แหวนเสียชีวิต กำหนดการเผาศพกันที่สุสานหายยาเชียงใหม่นายสมชายศรีภูมินบุตรชายผู้ตายได้นิมนต์หลวงปู่แหวนมางานศพด้วยแต่เมื่อถึงเวลาหลวงปู่แหวนไม่มาทั้งที่รับนิมนต์แล้วทุกคนรอไม่ไหวก็เลยดำเนินการเผาศพนางดวงไปตามปกติมีการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ความแปลกประหลาดเกิดขึ้นตรงที่ว่าในฟิล์มช่องสุดท้ายของภาพที่ศพของนางดวงถูกไฟเผาลูกชนกลับเป็นร่างซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหลวงปู่แหวนนั่งขัดสมาธิอยู่เหนือศพกลางเปลวไฟและปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้นะคะนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ได้นำเสนอข่าวไปแล้วในครั้งนั้นค่ะ รูปปั้นหุ่นคีเพึ่งหลวงปู่แหวนสุจินโนนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ชิ้นแรกของวงการพระสงฆ์ไทยสืบเนื่องมาจากนายแพทย์เฉลิมจันทราสุกนายแพทย์นักธุรกิจชื่อดังได้ล้มป่วยอาการหนักมากได้เคลิ้มหลับฝันเห็นหลวงปู่แหวนมายืนอยู่ข้างเตียงแล้วบอกว่าตนจะหายไม่ตายหรอก เมื่อดีขึ้นนายแพทย์เฉลิมก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากเป็นดังที่ฝันก็จะสนองในพระเดจพระคุณแห่งความเมตตาของหลวงปู่แหวนโดยจะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วจะนำสิ่งนั้นไปถวายหลวงปู่และนายแพทย์เฉลิมก็หายป่วยจริงๆจึงได้ว่าจ้างสถาบันมาดามทูโชแห่งประเทศอังกฤษให้ปั้นรูปหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าองค์จริงของหลวงปู่ในราคาหนึ่งล้านบาทนะคะ ทางสถาบันนี้ไม่เคยปั้นรูปพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามาก่อนเพราะฉะนั้นการปั้นรูปหลวงปู่แหวนจึงเป็นครั้งแรกและองค์แรกของโลกเลยทีเดียวค่ะ ตอนเช้าวันที่23สิงหาคมปีพุทธศักราช2522ได้อัญเชิญหุ่นหลวงปู่ไปเชียงใหม่ทางเครื่องบินของการบินไทยจัดในรูปของคนโดยสารโดยนั่งเก้าอี้โดยสารธรรมดาถึงเชียงใหม่เวลา9นาฬิกาว่ากันว่านะคะท้องฟ้าที่เชียงใหม่ช่วงนั้นชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนติดต่อกันมา3วัน3คืนก็ปรากฏเหตุมาสจ ร, ร่อย่างปฏิหารทันทีที่เครื่องบินร่อนลงสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท้องฟ้าแจ่มใสฝนหยุดตกชาวเชียงใหม่มารอต้อนรับมากมายค่ะปัจจุบันรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ประดิษฐานอยู่ในห้องกระจกภายในพิพิธภัณฑ์บริขารของหลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปังค่ะ